พระธรรมเทศนาแผ่นที่92ลำดับที่21โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าถ้าคิดจะทำต้องทำให้ดีที่สุดวันนี้เป็นวันที่15 สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันหนึ่งที่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนแต่ฝนตกรู้สึกว่าลินแบบแข่งก็ไม่ไปออกไปตากฝนก็ไม่เปียกรู้สึกว่าฝนเรียง ลายเม็ดได้ดีมากเลยเมื่อคืนทั้งตกทั้งคืนแต่ไม่มีน้ำมีแต่ความชุ่มช่ำแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังตกอยู่พอมันถึงหน้ามัานแล้วสิงหาแล้วแต่ยังไงครูบาทั้งหลายเรื่องถังน้ำในวัดของเราให้ช่วยชยกันดูวันเราก็ไม่มั่นใจว่าฝนมันจะหยุด เป็นยังไงเพราะดูดูแล้วสามปีที่ผ่านมาฝนรู้สึกว่าไม่ค่อยดีไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นปีนี้ก็ให้ช่วยๆกันดูเรื่องน้ำน้ำถังเอาเข้าแต่นนเนินๆไว้สักหน่อยก็ดีปีหลวงพ่อยังจำไม่ลืมปีห้าสี่ปีสองพันห้าร้ยี่สิบสี่ ที่หลวงพ่อจะออกมาหลวงพ่อเป็นผู้ควบคุมเรื่องน้ำเลยที่วัดป่าบ้านตาดน้ำถังหกถังข้างศาลาพระต้องต้องได้ใช้ฉันน้ำน้ำฝนพราะนั้นหลวงพ่อจงดูแล้วก็ทำความสะอาดแต่ปีนั้นหลวงพ่อก็คิดว่าเดือนสิงหาเนี่ยมันยังต้นปีอยู่ เราจะเอาปลายปลายสิงหาต่อกันยาน่าจะเพียงพอน้ำฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยไปล้างถังในช่วงปลายสิงหาต้นนี้นพอล้างเสร็จแล้วฝนตกเพียงหาสองหาท่านเองครั้งสองครั้งที่ใหญ่ๆน้ำไม่เคืงถังปีนั้นน่ะของพ่อจาไม่ลืมพอเสร็จแล้วออกพรรษาแล้วไม่มีฝนหลวงพ่อก็เลยโดน โดนหลงตาเฉ่งเลยปีนั้นเแต่แต่แตั้งแต่ไปอยู่ที่บ้านตาดมีปีนั้นที่พลาดท่าเหมือนกันพน้ำเป็นหัวใจสำคัญของวัดสมัยก่อนเราจะไปดื่มน้ำบ่อกอยังไงอยูอย่มันต้องรื่มน้ำฝน เ, เพราะมีถังน้ำหกถังอย่างพวกเราไปเห็นศาลาข้างในเนะ่ะ ถ้าเป็นนั่งอยู่ข้างล่างจะเห็นน่ะเรียงกันตะวันออก3าถังตะวันตก3ามถังอยู่ข้างซ้าลานัน่นหละหลวงพ่อเป็นคนเริ่มสร้างปี2อ2 0นะลูกหลานนะก็ทำถังทาถังคอนกรีตหถังนะ่ะนี่แหละกคณะรถไฟมีท่านองค์ขบนตรีดกเตชาวมีในช่างวัฒนา และคือสอเทพนะสน่อเทพเนะ่เป็นอยู่ที่โรงงานมักขสันทำแบบให้ทำแบบกําแพงด้วยแล้วก็ทำแบบถังน้ำมามอบให้หลวงตาจากนั้นก็ท่านปัญญาวุฒโธเนี่ยนะพระฝรังเป็นเป็นช่างทำถังน้ำฝนที่วัดป่าบ้านตาดพวกเราเนี่เป็นลูกมื อ, มอนี่นะ เรีว่าทำเป็นครั้งแรกไม่เคยเห็นถังน้ำคอนกรีตที่ไหนมาก่อนเลยต่กอก น, น้านี้นะแต่ท่านปัญญาเป็นนักวิชาการไงนักวิชาการท่านว่าท่านบอกว่าผสม123สเกิดจะได้ว่ชั่งกิโลนั่นะท่านปัญญาคนละเอียดเกือบจะได้ชั่งกิโลที่จะสมปูน1 2ึ่สอคืออะไรคือปูน2คืออะไรคือทราย ส, สคืออะไร3คือหินหิน3มกระปร๋องทราย2กระปร๋องปูนหนึ่งกระปร๋องเออแต่ละกระป๋องเนี่ยต้องเนียบเออต้องวัดให้ได้จากนั้นก็เทลงไปผสมโอ้โหตายผสมปูนกว่าจะเทจบจุดนั้นน่ะพระก็น้อยอีกต่างหากมีพระฝรัง่งพระฝรัง่งท่านเราจะไปเรียกร้องให้ท่านมาช่วยก็ไม่ได้เพราะท่าน ไม่เคยงานพวกพระไทยนะี่ที่เนี่ยมเทกันท่านปัญญาก็เทท่านก็บอกไม่ต้องใส่น้ำมากใส่น้ำมันได้น้อ ย, เ, ยเพื่อจะได้ปูมันจะได้แข็งตัวถ้าใส่น้ำมากมันคิดมันเสื่อมคุณภาพมันเสื่อมมันไม่แข็งต้องใส่ให้ พอปั้นพอเหนียวหนุบ เ, ยเลยอ่ลักษณะปั้นพอเหนียวหนุบกว่างั้นละอ่ไม่ให้มีน้ำํำตอนนี้พอเทลงไปเลยมันจะไปหลงได้ยังไงใช่ไหมมันมันมีหินมีเหล็กมีมัดเหล็กด้วยแต่ท่านมัดเหล็กท่านก็มัดมีเป็นตามหลักวิชาการของท่านอีกนะท่านบอกว่าตามคํานวณของท่านอถ้าหากว่าเป็นเสาถ้าเป็นเสาตรงเสาเยินเน่ย ต้องเป็นสิกเหล็ก4ี่หุนถ้าเป็นปลอกปลอกสอ ง, สองหุนรัดต้นเสาแต่เป็นถังน้ำเนี่ยเราจะต้องใช้เหล็ก4หุนเป็นปลอกเหล็ก3ามหุนเนี่ยเป็นตัวย่างหรือสองหุนเนี่ยเป็นตัวย่างเพราะมันไม่ได้ัรับน้ำหนักลงข้างบนมันรับน้ำามันรับน้หนักเวลาถังน้ำมาจะแตกมันต้องมันต้องใช้เหล็ก4ี่หุนดัน เหมือนกับลัดพุงเอาไว้รักษณะอย่างนั้นน่ะรัดท้องตัวเองรัดกับเพาะตัวเองอย่างลักษณะอย่างนั้นน่ะต้องใช้เหล็กใหญ่เหล็กตัวยั่งไม่ต้องใหญ่เนี่แหละหลวพ่อก็ได้ไปเรียนวิชาจากจากท่านปัญญาในคราวนั้นล่ะจํายังไม่ลืมนะลูกหลานนะอจากนั้นกับพอมัดเหล็กแต่ใช้เหล็กสองหุ่นนะเป็นเหล็กยั่งเหล็กตั้งนะเหล็กรัดเนี่ยเป็นเหล็กสี่หุ่นแล้วก็มัด เป็นตะขออีกต่างหากให้เหลื่ยมกันอย่างน้อยจากหกหกสิบเซนเหลื่อมกันเหล็กปลอกนะมัด น, นี่อันนี้แหละจากนั้นก็เทปูนเทปูนมันเทตามสูตรท่านปัญญามันเทไม่ลงมทีนี้มันพอเหนียวหนุบเลใช่ไหมล่ะเทไปเแต่ไหนมันก็ค้างมก็ติดโอ้แย่ปูนปอนแย่ปูนซีเมนต์ให้มันลงไปนั่นแหะ มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะท่านใดแยงแล้วแยกอีกแยงแล้วแยกอีกเอพอเทเสร็จแล้วก็แกะพอแกะออกมาเฮมันไม่ใช่ตาหมดนมันเป็นตาช้างมาเนีก่กพวกลูกหลานลูกหลานไม่เคยเทปูนคงไม่รู้หรอกนะแต่แต่พวกเทปูนนะรู้แหละคือตาช้างกับตามดมันคืออะไรตามดก็คือเป็นปูนเทลงไปแล้วก็เป็นจุดเล็กๆแต่เป็นตามดคือมันมัน มันไม่สนิทกันนะแต่เนี่ยมันโหว่เนีปูนมันหลงไม่ปูนปูนม่หลงไม่เสมอกาะเป็นตายช้างเลยเธอโอ้พอเทออกมาแล้วจะทุบก็อยังไงเธอเนี่ผลที่เุอเอาชาบอัดปูนเข้าไปฉาปูนเข้าไปเพราะมันอยู่จากนั้นก็เทแล้วปอกอื่นขึ้นมามันมันสามปอกแล้วหกันมันหกปอกแล้ว แปดปอกเนยหลวงพ่อก็จำไม่ได้ไม่ชัดเก่นะแต่อพอเสร็จแล้วก็ท่านปัญญาท่านก็นเสร็จแล้วก็ให้หาผู้ชาบป่เนีทางนอกไม่ต้องชาบก็ได้หรอกเอาน้ําปูนทาก็ได้แต่ข้างในต้องชาบอาชาบก็ไม่มีช่างที่ไหหลวงพ่อเนี่ยแต่เกิดมาก็ไม่เคยชาบ ป, ปูนอีกที่ี่นคำว่าชาบไม่รู้ฉาบทั้งไหน เขาให้ชากบกระชาปูล น, นั่นแหละหลวงพ่อเนี่ยคือให้ทำทาได้แต่เราไม่มีใครเป็นนักวิชาการมาบอกเราไนงะใช่ไหมละ่ะคาว่าฉาบกระช า, ปชาปไปเลยผสมปูนกับทรายเข้าไปเลยก็บชาบเลยยังมาคิดจำกะทั้งทุกวันนี้อีกเหมือนกันชา ป, ปูนข้างล่างขึ้นไปข้างบนลูกหลานเคยได้ยินไหมตามปกติเนะี่ยเขาจะชาบข้างบนไล่ลงมาข้างล่างเรื่อยๆใช่ไมละ่ะ อันนี้ชาบข้างล่างขึ้นไปข้างบนพอชาบชาบชาบช า, บชาบขึ้นไปมันก็ไหลเละลงมาอกีกสาบขึ้นไป อ, ไอีกไเอยก็เอาปูนมันแขน็งๆสักหน่อยใช่ไหมสาบอพอสาบเสร็จแล้วก็มันกดเสร็จเหมือนกันนะเอาหลายวันว่านนะต่อไปมันก็ฉลาดขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ก็ยังฉาบข้างล่างขึ้นไปข้างบนอย่างเก่านั่นแหละเพราะมันไม่ได้ไม่ได้เรียนวิชามา ก, ก่อนครับเพราะนี่สุดยอด สาบเสร็จแล้วก็น้าปูนเลยน้าปูนผสมข้นๆแล้วก็ทาเลยทาทาทาทาทาสองสามรอบเสร็จแล้วก็พอทาเสร็จแล้วก็ไปบอกกับพกในช่างในช่างทางหลวงขอปุขอขอน้ำขอ ยางมักต่อยหน่อยยางราดถนนอ่ะอขอเขาเอเขาก็ยินดีเขาคนส่งในช่างมาลาดไทยมันนะเพราะมันอยู่อยู่เพราะตัว น, นั้นแหละ อ, อยู่เพราะยางยางลาดยางราดถนนนี่มันอยู่ได้นะ่ะพอเสร็จแล้วก็อพอทาเสร็จแล้วก็ทํำฝาปิดเนี่ยโอ้ทํำฝาปิดเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันมาคิดดูเลยทั้งเรื่องทำฝาปิดถังเนี่ย ถ้าหากว่าเราเออเอาไม้ค้าขึ้นไปแล้วเท ป, ปิดเลยทํายังไงแต่ตามไม่จริงพอรู้ทีหลังมันเทคนิคมันหน่อยเดียวเท่านั้เองนะคือตัดไม้ให้มันสั้นลงสักหน่อยนะเอาไม้รองข้างล่างแตพอไม้รองข้างล่างแต่นี่พอเทเสร็จแล้วกิดึดงริมของข้างล่างออกเลยมันก็ลดเท่านั้นเองไนละมันก็ดลือออกมาได้แต่ตอนี้มันคิดไม่ได้เลยคิดอย่างงั้น น, ะนี่แหละเออนี่เรา หลวงพ่อทำทังน้ําฝนที่สุดก็ได้ใช้นะได้ใช้ก็ไม่มีปัญหาก็ได้ใช้กระทางทุกวันนี่นะทางน้ําฝนที่วัดป่าบ้านตาดนะที่เราใช้อยู่หนะลวงพ่อสร้างทําตั้งแต่ปี20นะลูกหลานนะถ้าอยากจะรู้นะ่ะทางทิศตะวันออกนะ่ะเปกระท่อบูนเป็นนะปกระท่อบูนลงถึงฐานนะ่ะพอถึงฐานนะ่ะจะเห็นได้เลยเขาเขียนเลข20ไว้นะเดือน กรกดายี่สิบมัสองพันร้อยี่สิบปีนั้นนะ่ะน่หนะลวงพ่อได้ทำถังน้ำเพราะนั้นหลวงพ่อไปนะักสถานที่นะมาอยู่ที่นี่หลวงพ่อจึงบอกลูกหลานให้ช่วยๆกันดูเนอรเรื่องน้ำเป็นปัจจัยสำคัญถ้าไม่มีน้ำขวดมานะแล้วก็น้ำเนี่ยนะน้ำถังน้ำฝนของเราเนะี่ยน้ำสะอาดเนี่ยนเะพราะเราอยู่ไกลอยู่ในชนนบท เราห่างไกลจากโรงงานที่สารพิษอะไรมันคงไม่มีหรอกเพราเราอยู่ในป่าเราใช้ได้นี่แหละเราอยู่แบบป่าเราอยู่แบบธรรมชาตินี่ให้พระเนนลูกหลานช่วยกันดูเรื่องน้ำเนี่ยหลวงพ่อพูดถึงเรื่องน้ำฝนแล้วก็มาคิดถึงวัดป่าบ้านตาสมัยนั้นหลวงพ่อก็ไม่เคยพลาดทุกปีแต่ปีนั้นฉลาดฉลาดใจไปสักหน่อย คิดว่าเดือนสิงหาอปลายสิงหาคิดว่ากันยาเนี่ยจะเอาน้ําฝนคิดว่าจะเพียงพอแต่ที่ไหนได้ฝนไม่ตกเลยฝนตกหน่อยเดียวแท้ๆน้ำไม่ครึ่งถังพอเสร็จแล้วหลวงตาเป็นไงน้ําฝนโอ้น้ําไม่เต็มถังเท่า น, นั้นแหละหลวงพ่อก็ได้รับธรรมเทศนาจากหลวงตาเนี่ยการมากใหญ่เลยคราวนั้นจังําไม่หลือกระถาทงทุกวันนี้แลระลูกหลานเนีพยพรมเทศกันใหญ่ มันทําไมมันไม่รอบขอบทําไมมันเชื่อทำไมไม่รู้จักทำไมชาติถึงแต่ก็สอนอะไรเลยเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อจึงบ อ, บอกลูกบอกหลานอทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบขอบนะการจะกระทําสิ่งใดลงไปรอบคอบอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงสอนให้ลูกสิทธิ์ลูกหาลลูกน้องบริวารให้รอบขอบก็ไม่ใช่ให้ ทุกใจให้ทุกใจแต่ตรวจตราดูตนเองทำให้ดีที่สุดอันไหนที่ดีที่สุดทำอย่างนั้นเมื่อเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ทำหน้าที่ครูบาอาจารย์ให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ทาเป็นาที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นลูกเมื่อเป็นลูกอยู่กับท่านเราก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดนี่แหละถ้าว่าพวกเรา มองตนเองอยู่เสม อ, เ, อ, อเมื่อทำดีที่สุดแล้วอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นนะพ้นโรคอเนจังเราก็ต้องปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่างหากเท่นี้เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วเราสุดความสามารถของเราเราทำดีที่สุดแล้วแต่มันเรื่องมันเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันเกิดขึ้นเราก็เราก็ต้องปล่อยวางที่ใจของเรา เ, เราไม่ทุกข์กับไม่ทุกข์นะ จะไปให้ทุกข์กับใจเพราะเราอยู่ในโลกอธิจังทุกขังอนัตตาเราจะไปทุทกข์ ก, กับมันได้อย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวถึงหลวงพ่อจะพูดเรื่องอะไรก็ตามเหมือนกับจริงจังและจริงใจอแต่ผลที่สุดหลวงพ่อเนี่ยวางอยู่ที่ใจนะลูกหลานนะแต่วางอยู่ที่จิตใจของหลวงพ่อเองหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับเราเข้าไปในป่าดวงหลงป่า ลงทางเข้าไปในป่าโรงพงไัยพอไปเดินเข้าไปในป่าลึกเข้าไปแล้วไปเห็นอไปเห็นแท่งทองแท่งทองคำมันแท่งทองคำเอามื อ, ม, อมือขัดขัดดูโอ้โหนี้เป็นเออมันเป็นแร่ทองคำเนี่ยก่อนมากใหญ่เนี่ยแต่มีดเราก็ไม่มีขวานเราก็ไม่มีแต่ถ้าเราจะแบกก็แบกเพราะเนี่ยมันหนักใช่ไมล่ะเออจะออกมาก็ออกไม่ได้ เราเห็นแล้วก็มีแต่รูบๆคำคำเสร็จแล้วอู้ตายอยากจะได้จริงๆรงทองคํานี่ถ้าหาว่าเราได้แท่งทองคําแท่งนี้ไปนะเราคงจะเลี้ยงชีวิตของเราตลอดชีวิตได้แต่นี่เราเราจะเอายังไงเนี่ยยกก็ยกไม่ขึ้นมันหนักใช่ไหมทองคํำ เ, ยเอยมีดก็ไม่มีขวานก็ไม่มีผ้า พ, พระก็ไม่มีเอาถเถอะเราอยากจะได้แต่มันสุดวิสัยของเรา เราก็มีแต่ยกมือไหว้โอ้ถ้าหาว่าักคาได้ทองคําแท่งนี้ไปนะเนี่ย้าคงจะเลี้ยงชีวิตได้ตลอดชีวิตแต่จะทํำยังไงได้เนี่ยข้าเอาไปไม่ได้บุญวัสนาข้าไม่มีเสียแล้วเออข้าไม่มียังไม่มีวิชาที่จะเอาทองคําแท่งนี้ไปได้มีแต่ยกมือใส่หัวเดร๋ยไหว้ทองคําทำอะไรเดินหาทางออกต่อไปนี่อันนี้กับลักษณะอย่างนั้นแหละแต่สิ่งไหนก็ตาม ถ้าเราคิดว่าจะทําให้ดีแต่มันทําไม่ได้ในเมื่อทําไม่ได้เราก็จะยอมเราไม่ต้องทุกข์ใจอีกต่างหากพระโลก น, นี้เป็นโลกอนิจจ์อนิจจงทุกขังอนัตตาจะต้องปล่อยวางขนาดร่างกายของเราเรายังปล่อยวางเราจะไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งอื่นอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นเรื่องคนอื่นเรื่องกิจการงานอื่นๆอเราจะไป ยึดมั่นถือมั่นขนาดนั้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราต้องถึงคราวแล้วก็ต้องคิดปล่อยคิดวางในจิตใจของเรานะอย่าไปทกกับมันถ้าเรามีทำในจิตใจแล้วหลวงพ่อว่าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะถึงคราวมาแล้วถึงคราวปล่อยมันก็ต้องปล่อยถึงข่าววางมันก็ต้องวางแต่เราทําให้ดีที่สุดไม่ใช่ปล่อยปะละเลยไม่ใช่นะสื่อบือ้อปล่อยปะละเลยนั้นไม่ถูก แต่เราต้องมองรูดตนเองว่าทำดีดีที่สุดแล้วนะแล้วก็เมื่อทำดีที่สุดแล้วอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะโลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวมันหลายคนนาน า, นาจิตตางนาน า, นาทัศน ะ, ะในเมื่อเราทำที่ดีสุดแล้วเ้วก็มันก็จุดมันก็ต้องจบแต่ทึกยังไงก็ไม่เหลือวิสัย อิทิบาทคุณเครื่องให้สําเร็จความประสงค์ฉันทะวิรยะจิตตวิบังศาฉันทะวิรยะจิตตวิบังศานี่คือพระพุทธองค์ท่านตรัสไว้ไว่าว่าถ้าบุคคลมีทำรรสี่ประการอยู่ในจิตใจคนนั้นก็จะสําเร็จสมความมุ่งมา่นปราถนาอแต่ถึงยังไงก็เถอะนะแต่ถ้าว่าเราเห็นทองคําแท่งทองคําอยู่ในป่าเอ ถึงออกมาแล้วแต่ถ้าเราต้องการ เ, าเราก็อาจจะเป็นทำเป็นกุยหมยป้ายทางว่าเราไปเห็นทองคำอยู่จุดนั้น เ, เราอาจจะหักเก่งไม้ออกม า, าแต่เพื่อทมันสุดวิสัยจริงมันตั้งหลายวันมันจะไปหาได้ยังไงกีมลาล่ะถ้าว่าเป็นหลงป่าไม่นานมันก็อาจจะกุยไมยป้ายทางไปก็คงจะเห็นผลทางเข้ามาสู่จุดนั้นได้ อันนี้มันอันนี้แต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามอยู่มันสุดวิสัยมันก็ต้องสุดวิสัยมันมีอยู่ในโลกเนี่ยอย่างเพราะนั้นท่านยียกว่าเมตตากรุณามุทิตาอุปเบปขาเมตตาคือความคิดสงสารกรุณาเมตตาคือความเมตตาเขาอยากจะช่วยเขาจะสงเคราะห์เขาเมตตากรุณาคือสงสารมุทิตาพรอยินดี เมื่อเขาได้ดีไม่อิจฉาเขามุทิตาอุปเเกขาเมื่อถึงเมื่อเขาถึงคราววิบัติเราก็ต้องวางใจไม่ยินไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติเพราะ้งต้องวางอุปเปกขานี่แหละโล ก, ก น, นี้มันต้องมีพระพุทธเจ้าท่านถ้ามีแต่เมตตากรุณามุทิตาอย่างเดียวเออธปภบริษัทสีของพระพุทธเจ้าคงจะทกใจมีแตเครียด เครียดเครียดเครียดเครียดอยู่ตลอดนะพระพระองค์ว่าตกวางอุปเปกขานะ่ะเอ่เหมือนถึงข้าวแล้วมันทำทำยังไงไรต้องทำใจต้องทำใจตนเองต้องรู้จักวางไม่ให้ยดึดเออเอเอทำให้พอใจกับผูกอาคาดพยาบาทจองเวณเไองมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันอมนต้องปล่อยวางถึงลูกเราอยากให้ลูกดีอยู่ใครไม่อยากจะให้ลูกดี แต่เราเลี้ยงลูกเลี้ยงแต่แต่ร่างกายเลยใจของเราใจของเขาเราเลี้ยงไม่ได้แนวแนวความคิดของเขานะเราเลี้ยงไม่ได้จุดนั้นนี่แหละสิ่งเหล่านี้ละทั้งหลายทั้งปวงนะกนัตตาญาติ ย, ยมพระเนรลูกหลานนะสรุปแล้วให้เป็นคนดีให้รู้จักให้มีธรรมะในจิตใจให้รู้จักปล่อยให้รู้จักวางนะต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนโมทนาให้พรและพร น, นัตช น, นีนะ